1นึรสมาธายะฉักกะว่าด้วยการดอกกะถินด้วยการนําจีวรที่ทาค้างไว้หลีกไปหกกรณีสามร้อยสิบสี่พิกุกรานกะถินแล้วนําจีวรที่ทาค้างไว้หลีกไปอยู่นอกสีมามีความคิดอย่างนี้ว่าจะให้ทาจีวร น, นี้ที่นอกสีมานี่แหละจะไม่กลับ ให้ทาจีวรผืนนั้นการดอกรถินของภิกษุนั้นชื่อว่ากำหนดด้วยทาจีวรเสร็จภิกษุกรานกะถินแล้วนำจีวรที่ทาค้างไว้หลีกไปอยู่นอกสีมามีความคิดอย่างนี้ว่าจะไม่ให้ทาจีวรผืนนั้นจะไม่กลับการดอกรถินของภิกษุนั้นชื่อว่ากำหนดด้วยตกลงใจ พิษุกรานกระถินแล้วนำจีวรที่ทําค้างไว้ลีกไปอยู่นอกสีมามีความคิดอย่างนี้ว่าจะให้ทําจีวรผืนนี้ที่นอกสีมานี่แหละจะไม่กลับให้ทําจีวรผืนนั้นจีวรที่ภิษุนั้นให้ทําอยู่นั้นเกิดเสียหายการดอกกระถินของพิกษุนั้นชื่อว่ากำหนดด้วยผ้าเสียหาย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 นำจีวรที่ทำค้างไว้หลีกไปคิดว่าจะกลับอยู่นอกสีมาให้ทาจีวรผืนนั้นทาจีวรเสร็จแล้วคิดว่าจะกลับจะกลับแล้วล่วงคราวกระถินนดอกนอกสีมาการดอกกระถินของภิกษุนั้นชื่อว่ากาหนดด้วยล่วงเขตภิกษุกรานกระถินแล้วนำจีวรที่ทำค้างไว้หลีกไป คิดว่าจะกลับอยู่นอกสีมาให้ทาจีวรผืนนั้นทาจีวรเสร็จแล้วคิดว่าจะกลับจะกลับแล้วกลับมาทันกะถินดอกการดอกกะถินของภิกษุนั้นชื่อว่าดอกพร้อมกันกับภิกษุทั้งหลายสมาทายชักกะที่สี่จบ